เตืนขั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงอธิสินสิกขาสิกขาคือสินยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิขาสิกขาคือปัญญายิ่งกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันิภพพาหิยะพอพระบรมราชธรรมองเห็นเออโยมคนนี้มันจะสําเร็จพระทหา์ในวันนี้มันจะแตกฉานในปฏิสัมพันธ์สี่ด้วย พราะเหตุไดเพราะบา ร, รมีของมันแก่ข้ามาแล้วแต่พวกกรรพระบรมศาสดามองเห็นรู้แล้วแต่ว่ากรนพาไปก็เลยพูดเฉยเยราบรมศาสดาเทศน์ให้เก้าฟังด้วยเออเรากําลังบินเทวดาอยู่ไม่ควรแต่มีพระตามหลังอยู่เขาก็ต่อไปอีกว่าบางทีพระบรมศาสดาสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเก้าสิ้นลมปรานเดียดเเด๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากลูกเอ๋ย เป็นสภาวะรูเป็นในสภาวะเห็นเนอครับพอแล้วนั่นนั่นแตกแขนงพระเจ้าสมัพาสีด้วยเป็นพระทหานแล้วน่นนั่นนั่นถ้าบารมีแก่ข้ามาแล้วจังมีบทบาทว่าทําแต่ละบัต บ, บาดตรงต่อพระนิพระนหษย์มันขึ้นอยู่กับบารมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นนะนะนะนะถูกไหอ ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ทันนั่งขัดสมาธิเลยนั่นือผู้เขาถามบอกว่า เ, เดินไปภาวนาได้ไหมก็ได้ทางนั้นนอนก็ภาวนาได้เราพูดทางนั้นยืนเดินนั่งนอนก็คือไม้ความว่าเปลี่ยนอิริยาบถเฉยเมื่อเวลาเราเราโกรธให้เขาเราไป น, นั่งขัดสมาธิโกรธใช่ไหมนั่นจะเอาแต่สมาธิมันก็ไม่ทัน ก, กับกลียดจะเอาแต่นั่งก็ไม่ทัน ก, กับกลียด จะเอาแต่นอนก็ไม่ทันกับกิเลสจะเอาเดินก็ไม่ทันทันกับกิเลสยืนเดินนั่งนอนตื่นภาวนาได้ทั้งนั้นนอนไม่ความวานอนไม่หลับที่ไหนพระบรมศราสนาไม่สอนไม่มีเลยสอนหมดแล้วพระไตรปิฎกแปดหมื่อชีพระธรรมขันธ์ก็มีไตรศิกขาศีนสมาธิปัญญาอันเดียวกันลงรัวมาในพัทเจวันเลย ฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงก็อยู่ที่แห่งเดียวกันในปัจจุบันอนี่ชั้นกลางศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่น ในกรรมฐานที่ตั้งให้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งให้ตกลงพระคือทำแรนกําลังห้าอย่างก็อยู่ที่แห่งเดียวกันนั่นนะอภรณกาปรปฏิปทาสูตรคือปฏิบัติไม่ผิดพระบระมาศาสดาเขบอกแล้วปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรนีย์ทั้งวรสัมรวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกลินกายใจไม่ให้ยินดีเย็นร้นยนายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องปัสสาวะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจ สองโพชนเนมัตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคณิยานุานโยกบางท่านอ่านเป็นโยคะนโยคโยคะทาไมเขาจะกดขาดตัวแล้วมันเป็นวัรหนึ่งเนี่ยชาคณิยานุโยกพประกอบความทีเรียนเพื่อจะทาระใจของตรให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนะักพระบรมศาสดาวันหนึ่งคืนหนึ่งรับบวกกันเข้าสามสี่ชั่วโมงพอแล้วเรียกว่า ไม่เห็นใจหลักมากนะักถ้ามากกว่านั้นก็เรียกว่าไม่ถูกฉันอาหารจะชันขนาดไหนโภชนเนมะทันรุตายังอยู่อีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้กวก็ให้ดื่มน้ําสักพอดีแล้วอย่าไปฉันจนท่อการดื่มน้าไม่ได้เรียกว่าอืดอัดพระบรมศาลาเรียกว่าพอดีเรียกว่าโภชเณรมะทันรุตารู้จักประมาณในการกินอาหารับ แต่พอทุกวันไมมากไมยน้อยชาคณยานรกกือย็ประกอบความเพียงเพื่อจะทำละใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่รับมากนักคือวันหนึ่งคืนหนึ่งรับเพียงสามสี่ชั่วโมงบวกเข้ากันพออะเนี้ยแต่ลบปู่ทุกวันนี้สองชั่วโมงก็ท่านยากเพราะมันเกลเลยตาใสาแกลวเลยไม่อยากลับลบปู่ได้เพียงชั้นผสมสองเท่านั้นเนอ แต่หลวงปู่สามารถเรียนนคำตรีโทเอกได้เพราะมันไปแตกอยู่ที่วัดเพราะบวชขาวก่อนนั่นสี่ภาษาทางเนนเนรภัษาหนึ่งพระสามตัวขา ว, ขวก่อนนักลาศขาออกมามาสร้างคารวะอยู่สิบปีแล้วหลวงปู่ก็มาบวชอีกภรรยาถึงแก่กรรมภรรยาถึงแก่กรรมหลวงปู่ก็มาบวชสอามาตรย แ6ดจหกจนถึงทุกวันนี้มันก็ห้าสองพัรศาห้าจุสามกับตัวทดกำลังจำพันศาอยู่นี่น้องปู่มันสอบนะักคำทีได้ตั้งแต่สองพันีร้อยเจ็ดจสองเป็นเนเจ็ดจสามเจจสี่เจ็ดจ5ห้าก็มาคัดเลือกทหารแล้วก็มาแต่งงานเขาถึงแก่กรรมแล้วน้องปู่ก็มาบวชเองแต่งงาน แต่งานคนที่แรกลูกปู่ลูกคนหนึ่งเขาเลิกกันเลือกกันเกกนวดาก็บอกว่าให้มาบวชไม่บวชเขาจะว่าหาภรรยาไม่ได้ก็เลยมาบวชถ้าเรารู้เจ้กาก็มันจะตายแล้วก็มาบวชจริงเก่งนี่เราเข้าใจว่ามันจะไม่ตายะ <c oughs> คุณป้าคุณป้าก็เป็นหมันทีนี่คุณป้าเป็นหมันเป็นหน้าที่จะหาลูก มาเลี้ยงดูก็พอดีเอกับภรรยาเราถึงแจกรรมเราเข้ามาบวชใช่ไถ้าไปเราไปเราพริจารณาความตายก่อนที่จะเราจะมาบวชกูไปเอาภรรยาใหม่อีกมันก็เอาการก้อนตายมาด้วยไก่อีก ต, ตัวหนึ่งก็เอาก้อนตายมาด้วยอนี่นี่กูตายก่อนเขาถ้าเขาตายก่อนกูเขาเอถ้าอถ้าถ้ากูตายก่อนเขา เขาก็ต้องเอาผัวใหม่เฉยๆเนี่ยีนี่กูมันโชคดีว่านในที่พูดนี่ไม่ได้หมายว่าจะให้เขาตายพูดตามเป็นจริงแล้วก็เลยมาบวชสองพันสี่ร้อยแปดสิบแดเราก็เลยออกไปสี่แปดสิบเก้ามาหาหลวงปู่มั่นเก้าสิบอยู่นั่นเก้าสิบเอดอยู่นั่นเก้าสิบสองอยู่นั่นเก้าสิบสาถอยประเพลิงแล้วก็ลงไปภูเก็ตพังงากับองค์หลวงปู่เทศ ออกจากนั่นก็กลับคืนมาอยู่กับลพบุรมหาอกีกในคราวที่อยู่กับลพบุรมั่นหนกักมีลพบุรีมหาอยู่ควบด้วยอลพบุรีมหาเป็นมือขวาเหตุ น, นั้นลพบุรีมหาจึงมีพรรสามากกว่าเราเพราะท่านม า, น า, า, าลาศิขาเราราศิขามีมีดตั้งสองคนเราเป็นที่ฆ่าผู้หญิงอยู่พ <c oughs> วกคุณก็เป็นที่ฆ่าผู้หญิงอยู่นั่นอย่ามาบวกเน้ะ นี่นีนี่นคู่จบกระเสียบเนี่ยเขามาบวชแล้วเนี่ยนี่เขาขามบมอบเบี้ยบรรนานให <é> ้ให้พระมเหสีเขาเนี่ยเขาได้มาบวชแล้วนั่นนั่นจบกระเสียมเนี่ยนุกดาหารเนี่ยเียเอ้าย้อนถามอีกคนในประเทศไทย เพื่อให้ชับเพื่อหเห็นคุณพระพุทธศาสนาชับคนในโลกเนี่ยมีประมาณเท่าไรมีประมาณห้าร้อยห้าห้าห้าพันล้านไหมห้าพันล้านอ้าเราอยากกระถามคนห้าพันล้านนั้นมีผู้มีชิ้นห้าพอเสียบล้านไหมคงจะจุดๆไม่มีใช่ไหม นี้ีนี้เอา้านี่จีนจีนก็มีประมาณพัลลัคนพัลลัาน์คนพัลลัคนี่คนมีชิ้นห้าพันคนไหมอพออถูกไหมพอพอพันคนไหมคงจะไม่มีใช่ไหมยะอะยนมาหาประเทศไทยเราทีนี่หกชิ้ล้านกันไหมหกชิ้นล้าน มีคนมีชิ้นห้าเมืองพุทธแท้พอสามล้านไหมคงจักลำบากใช่ไหมนี่ย้อดมาอีกแี่นี้ผู้ตั้งกฎหมายอยู่ทุกวันนี้มีกี่คนผู้แทนมีกี่คนฮะฮะสามรอยเขาที่นี้มีสามร้อยมีคนผู้มีชิ้นห้าพอร้อยคนไหม ไม่มีสักคนนั่นนั่นนั่นน่นน่นนั่นั่นอนถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าสองขามันมีมันก็ถูกแล้วเนี่ยถูกไหมนอ่นั่นสองขามก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีโรคเอจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเพราะมันมีขอบเขตโรคหนองในก็ไม่มีใช่ไหมโรคซีโนม่วงก็ไม่มีใช่ไหมข่มขืนกันก็ไม่มีใช่ไหมนั่นนั่น ก็เขามีาก็ไม่ทเลาะกันใช่ไหมเอา้าวสิ่งไหนที่พระสมณะท่าพุทธเจ้าไม่ไม่สอนไม่มีเลยเอา้าคัดค้านมาดูดูสิ่งไหนปริญญาของพวกคุณมีอะไรว่าปริญญาปริญญาของพระพุทธศาสนายาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีระณนะปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณาปัญหาในปริญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียนปริญญาในทางพุทธศาสนาแครั่งพระองค์ มี ป, ปริญญาเก้าไหมก็มักสี่ผลสี่นิพานหน่งใช่ไหมนั่นนมีปริญญาเก้าเหมือนกันชดดาวปฏิม uh ักชดดาวปฏิผลสักทาใครมักสักตาใครผลอนาครมักอนาใครผลอรหัตตะมักอรหัตตะผลคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งพราะชดดาวปฏะมักชดดาวปฏิผลคู่ที่สองสัคตาใครมักสักทาใครผลคู่ที่สามอนาใครมักอนาใครผลคู่ที่สี่ ข้อที่สามสัคาใครมักสัคตายมผลคู่ที่สอารหัตตะมักอารหัตตะผลข้อที่หนึ่งพระโสดาปฏิมักโสดาปผลคู่ที่สองสัคาใครมักสัคตาใครผลคูอที่สามอนาคครมักอนาใคยผลคู่ที่สี่อรหัตตมักอารหัตตผลจัตตาริคู่แห่งบุรุษสี่อัถฐปฏิสาพุครานี่บุรุษบุคคลทั้งหลายปดบุคคลทั้งหลายแปดคือแปดจพวกคืออะไรหนึ่งโสดาปฏิมักสองโสดาปฏิผลสามสคาใครมัก สีสักคาลในผลห้านาคายมรักหกนาคาในผลเ็ดอาณาัตตมรัก8ดอาณัตผลเอสัพควะโต้เศ้ากระส่างโคนี่เนื้อสาววัคของพระองค์เรียาเจ้าอาของดียวฟ้าขงเดียวทักษิณในโยนชดีกรณีโยนตรังคุณยักเข็ตังโรกัตสาติเป็นคนควรกราบไหว้ไม่ต้องกระดาเป็นคนควรของรับทักินาทานเป็นผู้ควรกราบไหว้ผู้กราบไหว้ไม่ควรกระดากกระกระกดา เป็นคนควรรับทักทินาทานและก็เป็นเขตบุญของโลกด้วยอนุตตรังคุณเกษตรตังโลกัสสาติลองไปภูเก็ตพังงาเขาก็ถามเหมือนกันลงปู่ไปเที่ยวคนเดียวที่ราวัยพวกนักเรียนมาถามพระนักเรียนสมัยนั้นอายุประมาณสี่สิบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ธรรมยุทธกรรมหานิกายอันไหนดีครับเราไปเที่ยวคนเดียวในราวัยนาวัยฝั่งมหาสมุชนอินเดียน พระภูกเก็ตมันอยู่ในกลางมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมทางทิศเหนือมันก็เป็นเขาอยากว่าทะเลในใช่ไห ม, มจังหวัดกะออระบรระี่นะเพราะว่าเราม่ศาสตราก็มาได้สั่งสอนว่ามหานิกายได้ธรรมยุตเป็นสาวกของเราท่านสั่งสอนแต่เพียงว่าชุปจัจพนโนชุบยายะสานีจิเท่านั้นเป็นสาวก ข, ของท่าน ท่านไม่ได้บอกว่ามหาเนี่ยกายหรือธ ร, รมยุทธ์เป็นสาวกของท่านไม่ได้บอกว่าสายนั่นสายนี้เป็นสาวกของท่านหรอกมาพูดอย่างนี้เออพูดดีอย่างนี้ไม่เข้าข้างตัวน่าฟังมากนะแล้วก็เนยกว่าเขาจะเอากําปั้นใส่เราเราก็เลยพวกเขาหลายคนแล้วก็ตอบไปโก่งๆเลยความเพียงมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ในระหว่างสองสามวันนี่เขาก็มาถามหลวงปู่กระผมเป็นข่าวสด ในหนังสือไทยรักก็ผมจะมากราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านหลวงปู่ว่าพวกคณะภาวนาพุทโธนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ฟั่นหรือไม่เออถ้าจะพูดตามเป็นจริงเราก็เพึ่งได้เย็นพวกท่านเหล่านี้หลังจากหลวงปู่มั่นไม่พ่านแต่หลวงปู่มั่นยังไม่มีผ่านเราก็อยู่สกลนครนั่นสีพรรษาติดกัน ก็ยังไม่ได้ยินพวกท่านเหล่านี้เพิ่งได้ยินหลังลูกปู่มันในภาค น, นี้หรือไหนระหว่างสี่ห้าปีนี้ก็มาได้ผูดตามจริงแต่มันไม่สําคัญดอกลูกเอ๋ยผู้ที่เขาเป็นปาราชิกสี่รัชกาลที่เจสามอะไรเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์พระแท้คตเหมือนกันการอ้างมันไม่สําคัญดอกลูกเอ๋ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจะสํานักใดๆก็าตามเถิด ผู้ที่เขาทำผิดเขาก็อ้างว่าเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่พวกที่เราอยู่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าศาสนาพุทธแต่เขายัดเล่าอยู่เราพูดอย่างนี้ก <c oughs> ็อันเดียวกันเออถ้าอย่างนั้นผมก็เตรียมจะมาถามหลายคำอยู่มันก็เล่วหมดครับว่าไม่ก็แล่าหมดแล้ว <c oughs> อันการอ้างมันไม่สำคัญพระเทวทัต ก็อ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระสมานเจาพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าจะฆ่าจะแกงพระสมาธเจ้าจะว่าแต่งานอะไรเราพูดอยะไรนี่เขาก็บอกว่าหมดหนทางแล้วครับหมดวันทางแล้การอ้างไม่สําคัญนะพืดอย่างนี้ทีนี้พวกลูกห ล, กลานจะถามอะไรก็าถามใช่เดี๋ยวมันจะดึกพูดคนเดียวมันเบือ่อพูดแทนเขาก็ลุกเยินขึ้น ให้ผมถามว่าครับผมก็ต้องอมีสิแต่ตำรวจก็ดึงหัวลง <c oughs> ใครจะถามอะไรก็ถามซะเอ้าตัวไหนตัวตัวไหนเก่งถามมาดูดูให้ถามเอาที่เกิดเป็นคนต้องรักษาสิทธได้ทีนี่นกปูจะตอบ พระบรมศาสานาพูดเทพบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะตราเท่าชิ้นสิ้นชีวิตก็ดีหรือตราเท่าเข้าสูนย์ภายนพานก็ดีและไม่ถืออันอื่นมาปนเปก็มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ชั้นสูงก็สวรรค์ถ้าตรงกันข้าม ไม่สัตว์ติรชานก็เปรตอสุรกายและสัตว์นรกนั่นหนนเอกเพราะว่ารมศาสนาเห็นนั่นจริงว่ายังกินเจรัตนังโรเกวิชติวิเ ท, พทงพุทธรัตนังพุทธสมังนัตติจตสมาโสดที่พวันโตเตรัตนะอันใดในโรคนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยด้วยกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรา นัตถิเมีสดงงานอย่างชนะเลิศอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะเลิศอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายเมื่อกล่าวคําศัตย์นี้ขอความสวัสดีจงเมแก่เราอันนี้พวกเราพวกเราพูดโกหกเจ้าขอ ง, ของอเฉยเดี๋ยวก็ไปถือผีบ้าง เ, เดี๋ยวก็ไปอแกะเก็บไม้ต้นสะเคียนหาเรียกบ้างบ้ า, ร จ, าจริงใช่ไหม <laughs> พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เขาไม่ได้ถือว่าผีมาทำเขาถ้าป่วยมาเขาก็ไปหายรักษาโรงพยาบาลหรือหาหมอเท่านั้นไม่ใช่หาหมอผีมารักษาหายก็หายไม่หายเขาก็ตายคาภาวนาพุทโธหรืออันใดอันหนึ่งตามสะดวกของเขาครับอ่านี่เรียกพูดถึงตจสนาคมพูดถึงใจสนาคมกับพระสวสดาวันก็อันเดียวกันไม่ใช่อันอื่นเลย บรรทิตโตคณมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนนทตถิภราปนายากาคนทานไม่ใช่คนหัวหน้าเนื้อบัณฑิตาปนายากาบัณฑิตจึงเป็นคนหัวหน้าพระบรมศาสราปฏิเสธแล้วบัรทิตโตคะมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนตระกูลนั้นบางครัง้งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีเพราะมันไม่ถึงพระสสดาวันถ้าไม่ถึงพระสสดาวันเนี่ยรักษามรดดกไม่คุ้มนะไม่คุ้มเนอะ่ะ ไม่เฉลีหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุรณาพัสดุที่ขมขราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติทั้งสตรีหรือบุรุษทูตเส้นให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดํารงตระกูลควรเว้นสถานศีลประการมนี้เสียเนี่ยข้อสี่สำคัญมากบุรุษผู้ทุตเส้นที่เป็นแม่เลี้ยพ่อเลี้ยงมันก็ไปเล่นเลขเล่นผ้าเล่นบัตรเล่นเบอร์อ้พ่อแม่จะเอามอได้หลวงมาให้กี่ล้านมันก็ไม่เหลือหรอกนั่นตระกูลอันมั่งคั่ง สักเพียงใดก็ตามตั้งอยู่น่านไม่ได้เพราะสถานสี่ไม่แสวงฮะพัสรุที่หายแล้วอ่าประตูเดียวก็เอาเถิดไม่แสวงฮะพัสรุที่หายแล้วนี่ประตูเดียวก็เอาเถิดไม่บุญนะพัดสรุที่คําฆ่าประตูเดียวก็เอาเถิดไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติประตูเดียวก็เอาเถิ ด, นะ ah, ดาถดม ane, า, รร ض, ดาถด Coconut. มาได้ห้าไปใช้สิบไปใช้ร้อยมันก็ไม่ถนะูกนั่นแหะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีในวรรคทุเสียนให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน อันนี้ชิบหายมากมันเอาไปเล่นเรียกว่ามันเอาไปเล่น อ, อะไรเขาเรียกว่าไพ่หรืออะไรสารพัดการพนันทุกชนิดการพนันทุกชนิดไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีในพระสวดาบันไม่มีในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาห้ามแต่พวกเรามันช่วยส่งเสริมกันเ ร, เราก็เบื่อเบื่อรักเหมือนกัน ไม่ได้ม่ไม่ให้ประมาทเขาก็ประมาทพระเหมือนกันะถ้าพระทาผิดเราเขาทำผิดเราก็ประมาทเหมือนกันเนี่ยนั่นต่ <c oughs> ว่ายัางไงอรักไม่จีดขวางไม่จีดขวางอบายมุกเลยไม่จีดขวางเล ย, เยมีแต่พระเทศออ๊ะอ๊ F F F F อยู่เขาก็ไม่ฟังนั่นแต่พระผีบ้าบาโอกระเปล่นอบายมุกกับเขาอีกเช่นด้วยใช่ไหมนั่นนั่น อภัยยมุกก็คือไฟเผาโรกนั่นเองนั่นนั่ น, น, น, น, นมุกขะมุกะแปลว่าเชื้อหา ย, อยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากเป็นทางแห่งความเชียอหายนั่นะอ่นถ้าเป็นข้างพุทธการเราก็จะถูกกินชีแพะข้างพุทธการมีอยู่คนพูดว่าพูดมากๆเหมือนลุงปู่เนี่ยเขาไปบังอยู่ต้นเสาเขาก็ดีดชีแพะแต่ปาก เขาก็ดีขี้แพะใส่ปากแล้วก็อมไว้ทีนี้ถ้าจะคลายต่อสังคมก็ละอายอมไว้เลยพูดไปเองเขาก็ดีดขี้แพะเข้าปากคือยิน ก, กว่าจะพูดแล้วคือยินขี้แพะเท่ากานนี่แหละไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยมีในธรรมบทประดีดขี้แพะเข้าปากคนทีนี้พวกฉันเกไม่สงสัยหรือ มีมีวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายยะวิญญาณวิญญาณทางกายมะโนวิญญาณวิญญาณทางใจ อาศัยรูปกระทบในตาเกิดความรูกขึ้นเรียกจักขวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรูกขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรูกขึ้นเรียกฐานะวิญญาณอาศัยร่กระทบเล่นเกิดความรูกขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐพักกระทบกายเกิดคือความรูกขึ้นเรียกตายวิญญาณอาศัยธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจเกิดความรูกขึ้นเรียกวโนวิญญาณวิญญาณหกก็เรียกเวทนาห สวยเวทนาหถ้าเป็นสุขก็สวยเวทนาสุขวเวทนาถ้าเป็นทุกข์ก็เสวยทุกขเวทนาถ้าเฉยเฉยก็เป็นอเบขาเวทนาวิญญาณมีจริงไหพระพุทธศาสนาวิญญาณปฏิสัทธิมีจริงอยู่วิญญาณวิญญาณังวิญญาณปัจจัยวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปปางรามนุปปัจจัยนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะ อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภัตตาจักขุสัมผัสโสดะสัมผัสคาระสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือชุบบ้างว่เบียขาบ้างมีชื่อตามอายตนะภายในเป็น6คือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตะสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนา วิญญาณมีจริง 1949. ทีนี่เขามาถามบางทีเขามาถามอันนี้ถามมีปัญญาเขาเขามาถามแบบไม่มีปัญญาหลวงปู่ก็ตอบสั้นๆ an. อันนี้ถามแบบมีปัญญาก็ตอบยาววิญญาณมีจริงไหมหลวงปู่หลวงปู่จะตอบสั้นๆจะตอบวิธีไหนผู้ถามก็เอาโมโนวิญญาณมาถามผู้ตอบก็เอาโมโนวิญญาณตอ บ, บก็ไม่ควรถามกันก็ไม่ควรตอบกันลูกเอ๋ยหลวงปู่ตอบสัน้น <c oughs> อันนี้มาตอบยาวเพราะเขาถามฉลาดไง คนเกิดแล้วตายหรือไม่อตายแล้วเกิดหรือไม่ผู้ถามก็เอาก้อนเกิดก้อนตายมาถามผู้ตาผู้ตอบก็เอาก้อนเกิดก้อนตายไปตอบก็ไปควรถามกันอีกหมวงกันใช่ไหมเนี่น Shame. ยวิญญาณมีจริงวิญญารรณปฏิสนธิ ท, ทีนี้กิเลส ใครเป็นนายกิเลสก็ความหลงเป็นนายกิเลสอวิชชากรียกโมหะก็เรีกโมหะแปลว่าหลงความหลงไม่รู้จริงใครเป็นจอมพลกิเลตก็คือโมหะก็คืออวิชชาจอมพลอะไรจะมาทำอวิชชาให้แตกคือความโง่ถ้าความฉลาดไม่เหนือความโง่ ก็ไม่ชนะความโง่ถ้าความเมตตาไม่เหนือความกโกรธก็ไม่ชนะความโกรธถ้าความตณ์หนีไม่เหนือจารฆะก็บริจากไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เหนือความหลงก็ข้ามทะเลหลงไม่ได้ตัญญาและสติปัญญาต้องเหนือความหลงจึงข้ามทะเลหลงได้้หลงอะไรทุกวันนี้ ถ้าจะว่าเป็นสีก็หลังหลงหนังหุ้มอยู่ในรอบหลงกายหลงว่าเป็นของเที่ยงหลงว่าเป็นของสุขหลงว่าเป็นของตัวตนหลงว่าเป็นของสวยของงามถ้าชนะอันนี้แล้วก็ข้ามทะเลหลงบางท่านก็บอกว่าเขาก็ถือว่าดีอยู่ศีลนี่แต่มันปฏิบัติไม่ได้ว่าอย่างนั้น ถ้าว่าถ้าถือว่าของดีทําไมยิงจะปฏิบัติไม่ได้มันก็พูดแก้ตัวเฉยๆถ้ารู้จักว่าดีก็ต้องปฏิบัติได้สินั่นนะเนียม <laughs> ันไม่รู้จักวา่าดีถ้ารู้จักดีก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าไม่เห็นโทษในความโกรธมันก็เว้นความโกรธไม่ได้ถ้ามันเห็นโทษแล้วมันก็เว้นเลยใช่ไหมถ้าไม่เห็นโทษในความโลภมันก็เว้นโลภไม่ได้ถ้าไม่เห็นโทษในควา ม, ล ม, วล ม, ามหามลงมันก็หลงหอยู่นั่นเองใช่ไหมนั่น ใครจะพูดจะชนะความหลงได้อัตวาทุปาทานจะชนะความหลงเหตุฉะนั้นทำชั้นสูงเหตุฉะนั้นทำชั้นสูงพระบรมศาสนาจึงว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงแลดูรูปและไม่เบื่อตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเข้าใจว่าตาหูจมูกเลียงกายใจเป็นของตนนี่พูดเป็นหกถ้าพูดเป็นห้าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญนาน พระศัตว์ทั้งหลายถือว่าเป็นของเที่ยงถือว่าเป็นของถูกถือว่าเป็นของตัวตนทีนี้เอา้าอดีตคืออะไรอดีตคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ทําชั้นสูงนะเนี่งพระพุทธมรรศาสตรเรารู้อดีตตามามจริงของอดีตเรารู้อนาคตตมามจริงของอนาคต เรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสามเราเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมุติเรารู้ยมุติตามเป็นจริงของยมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสองเรารู้ปณิพานตามเป็นจริง สังขาก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในพญาภานก็เรียกว่าเราไม่รู้พญาภานเราไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเลยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงไม่มีนั่นนั่ น, น, น, น, นทำชั้นสูงนี่นั่นน่นนั่ชั้นสูงเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้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 พระเนพานเป็นจิตหรือไม่พระเนพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระเนพานมนัตเมิงเปรนณีบินทติระรูเปสุเปรนณีบินทติพระทหารก็หนายรูนายเวทนานายสัญญานายสังขารนายวิญญาณนายตานายหูนายจมูกนายลิ้นนายกายนายใจมนัตเมิงเปรนณีบินทตินายใจมโนวิญญาณเปรนณีบินทติหนายมโนวิญญาณมโนสัมพัสเสเปรนณีบินทติ น, นายวโนสัมผัสอุปัชชิก็เกิดขึ้นเวทย์ยังซึ่งเวทชนะทุขขังก็ดีทุกขังก็อีอุเบกขาก็ดีทุกทุกอุเบกขาก็ดีเพราะฉะนั้นได้หมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนายอะไรนายตาก็ยังเอาตาไปดูอยู่นายหูก็ยังเอาหูไปฟังอยู่นายจมูกก็ยังเอาจมูกไปดมกลิ่นอยู่นายลิ้นก็ยังเอารียบรลดูนายพุทธะก็เหมือนกันนายกายก็เหมือนกันอันนี้พูดเป็นหกคือ อธิตตปริยยสูตรถ้าพูดเป็นห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นคำว่านายตาหูจมูกเลี้ยงกายใจคือนายยังไงนายผู้ไปหลงว่าตาเป็นตนตนเป็นตานายผู้ไปหลงว่าหูหูเป็นตนตนเป็นหูนายผู้รูปไม่ตามเป็นจริงนายผู้ไปยึดถือว่าจมูกเป็นตนตนเป็นจมูกเลิ้นเป็นตนตนเป็นเลี้ยงกายเป็นตนตนเป็นกายใจเป็นตนตนเป็นใจ ทีนี่ย่นสิ่งเหล่านี้ลงมาหาใจซักทีนี่ตามันไปรับจดหมายห้ดวนไปไปเห็นลูกมัก็ส่งลงถึงใจมันโทรละเลขลงมันโทรศัพท์ลงเสียงไปกระทบหูมันก็ส่งลงถึงใจ ส, ส, ส, สิ่งที่พอรักก็รักสิ่งที่พอชังก็ชังสิ่งที่พอหลงก็หลง น, นั่นเป็นหน้าที่ของใจนั่นนั่ น, น, นเป็นงานของใจตาอใครไปใส่ชื่อให้ตาตากัดมันก็แมลว่า ปฏิเสธมันก็ไม่ไม่ไปฏิเสธหูครับมันก็ไม่ว่าปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธเฉยมันก็ไม่เฉยจมูกครับมันก็ไม่ว่าริ้นครับมันก็ไม่ว่าหรือปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธหรือวางเฉยมันก็ไม่วางเฉยตายครับมันก็ไม่ว่าเฉยมันก็ไม่ว่าไม่มีใครใส่ชื่อให้ตน ก็เอาโขนสวมหัวตนเองไว้ใจใจใจใจทีนี่ใช่แล้วไอ้รู้เท่าใจตอนไหนก็เป็นทุกตอนนั้นใจไหมดันด่นนั่ น, นตัวไปพ้องเขาตัวหากติดคุกฟ้องเขาว่าตาฟ้องเขาว่าหูฟ้องเขาว่าจมูกฟ้องเขาว่าลิ้นฟ้องเขาว่ากายใจเป็นผู้จฟ้องเขาเออดีละผมจะเป็นสมบัติของพญาสิทราช เขาก็ไม่ว่าเขาก็หม่ยปฏิเสธเหมือนกันนะนั่นทีนี้กายกายเขาเป็นมาาจะพอยกาตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูถ้าไม่อยู่ในอำนาจของกูกูก็เดี๋ยใจเสียใจจนก็อ่าินปูจนก็ออกร่อนพรองใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่น ทำทั้งหลายยน่นลงถึงใจแล้วทีนี้ยน่นแล้วทีนี้ศสียนใจสมาธิใจตั้งมั่นอยู่ที่ใจตัดสินลงที่ใจศีลต่อสลาสตรีนี่ค่ะตัวลอเลีงไม่ใช่ตัดสินศีลคือศีลาศีลังทําให้แน่นหนาเหมือนเสศษชิ้นศีลเหมือนศีลสัก ศีลก็ตั้งอยู่ที่ใจสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในที่ใจปัญญาครอบรูบ้ในที่ใจตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเลยนย่นยลงมาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านย่นลงมาห้าลักหน่วยซักนอ่ น, นอถูกไหมพูดมากก็มากออกไปจากใจหารก็หานลงมาถึงใจเรียกว่าโวหารส้าปทุกย่นลงมาเอกระทุกใช่ไหมนั่นนั่น สัพพะตายย่นลงมาหาเอกตายในวัฏ จ, จุบันใช่ไหมอนักเป็นห็นเม็ดทรายดูดูก็นับได้นับเป็นฝ่ายสังกโหสังก ะ, งกะย่นลงสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็สิ่งไหนที่เป็นของแข็งเรียกว่าพรมขนเรียกว่า น, น้ำเงื่อกระดูกเรียในกระดู ก, กว่าหัา้อใจตาฟังผืยไตบอดใช่ไ ห, ห, หมใช่ไหมอันใหม่อันเก่านี่จะเป็นถ่านดินซะดีเสทนน้งเงื่อเหงื่อมันมันมค้นตามตาเปลี่มานามลาน้ำมูกน้ำไข่ฟ้าน้ำมูลจะเป็นถ่านน้ำซะ ไฟที่ร่างกายให้อุดอบปวดไฟที่รางกายให้สุดซ้อมไฟที่รางกายให้กวนขระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยจัดเป็นธาตุไฟซักลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหาวลมเนรลมอ้วกลมพัดลงเบื้องต่ํำผายลมหรือลมไทยอุตรคตายพัตระลมดันลงลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเขาออกจัดลงเป็นธาตุลมซักนักเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนดูดูเอขปเทวีธาตุหนึ่งดิน เอากโาโปธาต์หนึ่งน้ำเอกะเตโซธาต์หนึ่งไฟเอากาวาโยธาต์หนึ่งลม น, นัภาษาด่บุตรนับเมเด็ดเด็เ ม, ม็ดลมเม็ดฝนได้มันก็ต้องนับอย่างนี้ถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามกี่มือกี่ปีมันจึงจะจบนั่นจนถึงอาสมไขยมันจึงจะจบผู้นับก็เป็นผีบ้าผู้ไปเป็นกรรมการก็เป็นผีบ้าใช่ไหม <c oughs> นั่นนั่นนั่น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 เทวันดีปีใหม่ก็เหมือนกันแหละแต่ใกล้จะตายของปีเก่าใช่ไหมนั่ก็ปีเก่ามันมาเป็นรอบๆมันใช่ไหมของใหม่มีไหมไม่มีของใหม่ก็ของเก่าอันไหนมันดีตัวของเก่าใช่มันดีอก้อนที่นั่งอยู่เวนี้เอาก้อนใหม่มาจากไหนนั่นของเก่า ของเก่าที่ควรเว้นของเก่าที่ควรปฏิบัติตามของเก่าที่ควรเว้นก็คือทางที่ไม่เป็นประโยชน์ของเก่าที่ควรปฏิบัติก็คือทางที่เป็นประโยชน์เอสสะทัมโมนันตโนพระธรรมเป็นของเก่านั่นนะพรหลวงพศาสตระกูไม่ใช่ของใหม่นี่นี่นอ่นูจะก็เป็นของใหม่ไหมไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าที่พวกเธอทั้งหลายที่เอามาทิ้งซากก้นี้เองขบหลวงพสาราระกูล ทิศษากมานี่เองในพระพุทธเจ้าในกับหนึ่งในกับนี้มีพระพุทธเจ้ากัปุสันโธโกโนาคมโนโอัทโปกโคตโมอริยะเมตไยโอจะมาอีกในกับหนึ่งถ้าเก็บน้ำตาไว้ชาติระหยดมาให้อันตระาธานไปชั่วกับหนึ่งคนหนึ่งก็มากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรนะนะถ้าเก็บกระดูกไว้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 คนนั้นไม่เคยเป็นญาติคนนี้ไม่เคยเป็นพี่เป็นนอ้องเคยเป็ น, เ ค, เ, ปนเคยเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยท่านตรงไปมองดูสิไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งพระบรมศาสดาอันนี้หนะ้ทาทั้งเวทนะเนี่นะทําแต่ละบุตรบบาทถ้าไม่ทําให้ระอาในวัฏสงสารก็สู้พาสิตเดียวไม่ได้พระบรมศาสดาพูดนะเจ้าเทศวันยังค่าก็ตาม จะถือเป็นของสนุกก็าตามถ้าไม่เป็นเครื่องสรดจิตทําให้เบื่อหน่ายในวัดตาทศสารก็สู้ภาสิตเดียวไม่ได้เพราะบรมสาสดาดันยอดระวายอีกเลยพระบรมศาส ร, ร, ร, ราไปเมืองสักเกตโยมโยมหน้าเหีเห่ยวไปกอดแข่งกอดขาพระบรมศาสดาเ อ, อเดี๋ยวอานน์เราไปนี่จะมีโยมมากอดแข่งกอดขาเราเธออย่าไปสงสัยเรานะ บอกไว้ก่อนแล้วโยอมหน้าเหี่ยวๆสองพรอเมียมากอดแข้งกอดขาพอ ร, ร, รมาสัาเออลูกเอ๋ยทำไมจึงไม่มาหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้ยินข่าวว่าอยู่ในเมืองสาวัตถีคอยวันคอยคืนอยู่เออนึกถึงออยอมพ่อยอมแม่อยู่แต่ว่าบัญญัติสิขาบทอะไรต่ออะไรยุ่งเหยิงเดี๋ยวนี้มีมีเวลามาแล้วก็เลยกอดแข้งกอดขา พระบรมศาสนประเทศเอาเทศเอาเทศเอ า, เเอาก็เลยสําเร็จพระรันแล้วก็เลยสิ้นลมปานเพราะแก่แล้วพอได้โอกาสโอกาสนั้นพระอานนท์ก็กราบทูลโยมสองคนหน้าเฮงเหี้ี่ยวคนชาวนาทำไมจะไปกอดแข้งกอดขาไปจะไปแกงมากพราเจ้าค่าพระอานนท์ยังเป็นพรัสดารันยังไม่รู้อิริยาบถไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอานนท์เ อ, อ๋ยความคุ้นเชื่อง มันมีมาแต่หลายชาติหลายภพแล้วฟาดฟากพระเจ้าโอกระด่าไปฝากครั้งกบิณฑรพัินพ์ไปอีกโขโหเคยได้เป็นพ่อเป็นแม่ติดกันมาห้าร้อยชาติเคยได้เป็นอาเป็นป้าเป็นหน้าเป็นพี่เป็นน้องกันมาสิบล้าร้อยห้าร้อยชาติห้ารอชาติติดกันมาเอแต่เด็กดําบันนับ เป็นเฉลี่ยชาติร้านชาติความคุ้นเคยอันนั้นก็ติดมาเหตุนั้นจึงเอาความคุ้นเคยอันนั้นมาทำไม่ใช่สร้างประจวบแจงหรอผู้ที่เห็นกันข่าวเดียวไม่ถูกหน้าถูกตากันเลยยังไม่ได้พูดไม่ถูกนิสัยวาสนาไม่กินกับธาตุก็เพราะเคยได้ผิดกันมาเคยไม่ถูกธาตุกันมาแต่ชาติก่อนพระบรมาศาลา <c oughs> ถูกไหมนั่นนั่น นั่นแหละท้าไมคาอะไรพระบรมศาสีรานั่นนั่นเธอทั้งหลายไปดูดูน่ะไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งเ่ะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นโคเป็นกระบือเคยเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ชาดพัดมาทุกชาติทุกภบแล้วเราก็เหมือนกันพวกท่านก็เหมือนกันพระบรมศาสีราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นโรคใหม่หรือเป็นโรคเก่าที่พวกเราเคยท่องเที่ยวมานั่นเอง ท่านจะไปอยู่โลกใหม่จะไปอยู่ไหนไม่มีที่อยู่หรอกท่านพูดนะมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีสัตว์นรกก็ดีสัตว์สี่เท้าสองเท้าที่มีวิญญาณครองเสียงในตจโลกธาตุเป็นของเก่าของพวกเราทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองไม่ใช่อันใหม่เลยพระรมศาสดานะเอา้าใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็น ก็พระอรหันต์เท่านั้นหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุ <H ates. S 1> นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสัก <c oughs> ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความโง่ด้วยความฉลาดข้ามความขี้เกียจด้วยความขยันใช่ไหมข้ามความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกตามเป็นจริงนั่นน่นนั่นสู้พระพุทธศาสนาไม่ได้ ใครก็เก่งสักเพียงไหนก็เชื่พระพุทธศาสนาแม่ได้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกทุกยุคทุ ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยแต่ชาวโลกครบไม่แตกก็ไม่ถือไม่พระพุทธศาสนาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องเกี่ยวท่านมาเทศนาเอาแต่ระยุกระยุกนั่นเพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคก็มอบไว้ให้ใหพระเจ้าองค์หน้า อันเขาโคนก็นับเป็นจํานวนแสนแสนล้านก็ปกดเนอะถึงอย่างนั้นก็ยังเหลืออีกอโี่ก็บม่อพระพุทธเจ้าองหน้าในตัวทำไมเขาจึงไม่มาเลื่อมใสเพราะไทรเมฆของเขายังอ่อนอยู่เขาก็ไม่มาเลื่อมใสเขาจะถือดีสักเพียงในก็ตามศาสนาพุทธมีพระ涅ปานศาสนาอื่นอย่ามาเอ่ยเลยนันันนั่ัก็ เมื่อไหนมาหาปรเรตพานสูตรพระองค์นั้นก็บวชในวันนั้นสําเร็จในวันนั้นเรียกว่าปฐิสมะสาวกสัพพสมะสาวกคือประกนทัญยะเคยได้เป็นพี่เป็นน่องกันแต่ชาติก่อนคนนั้นโกนทัญยะเคยได้ทานข้าวเก้าขั้งพี่ชายไม่ได้ทานกูเอาขึ้นยุ่งขึ้นฉางแล้วกูจึงจะทานไว้ในนั้นจึงได้สำเร็จพระรหันต์ทีหลังของน่อง แต่ก่อนเคยก่อนเคยแต่ชาติก่อนมาแต่ข้าพเจ้าปกคองหมดก่อนเคยเป็นพี่กับน้องกันมานั่นนะทับปวดมากมันก็จะยืดยาวสาวไกลเกินไปเนี่ก็ถามศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญญาวิธีของเขาเขาจะถึงสุภจรปรนกุชฌายะสานีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้ายาเลยอยาเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรม ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไป็สามารถรู้ทำได้ทำมีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารัจทำนัตที่อื่นศาสนาอื่นไม่มีพระสวดาบรลสักคาคามีอนาคามีเลยมีพระทหารเลยมีก็มีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นทำไมเขาจึงไม่มาเริ่มใสพ่พระเจ้าก็พระบรมีของเขายังอ่อนอยู่พระบรมศาลามกคลาสารีบทมาจากไหน ก, าา ก, าา ก, ก็มาจากพระเดียพายทกมาจากสวนชัยพระเดียเอยอกถูกสวนชัยพริเดายทกมาเรื่อไสศาสนาพุทธจึงสามารถถึงพระโฉดาบันได้ถึงอย่างนั้นท่านก็ปรารถนาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้อ ง, งขวามาแจ่ข้างพระเจ้าอนุนทัติสี อนนที่ชนุตตโมพทโโรกปตโตนารโทรสารมุตตโรสตสโรสุเมธทปทิุครโรสุชาโตสรกโกยะทัีนาราโสอัตถะทัศทีกาลมโอธมทัศีตโมนโต ทิฏโตตัมโมโรเกติโตจาวะตังวโรภุตโทจาวะโรภุโทวิปัสสิจานุโมทิสิทธิสัหิโตสถาเวททพุทุกธายโกกะกุสันโทสัวาโหโกนาคมโนระนาหโหขัสโปสีสัมปโนโคตโมสักยะปุงโคมปัถนามาแต่ข้างพระเจ้าอนุมาทิสิทธิพระองค์แล้วในร่วงมาสิบห้าสิบหกิบก็ดสิบแปดสิบเก้าพระองค์อ่าเก้าพระองค์จึงสำเร็จ เป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระเจ้าโคตระมะศาถนามาจากข้างพระเจ้าอโนมาทศี น, นพระอโนมทัทศีมาพักอยู่ที่ป่าโมกขลาสาในบทก็มีบริวานทางละหมื่นคนพวกบริวานนั่นตั้งใจฟังธรรมเทศนาของพระเจ้าอโนมาทศีก็เลยสําเร็จพระรหัสด์ ส่วนโมกขาลาสาดีบุตรไม่สําเร็จเสียแล้วเพราะขาดปรานาไปเห็นสาวกเบ้งขวาของพระสมมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็เลยชอบของพระอนมัสตรีก็เลยปราถนาสาวกเบ้าขวาพระโมกขาลาก็ปรานาสาวกเบื้งซ้ายส่วนลูกศิษย์ของโมคขาลาสารีบุตรนั้นสําเร็จพระรหันต์หมดแล้วเพราะเขาไม่ปรานาอะไรมันก็ เขาตั้งใจฟังเขาก็พ้นจากกิเลสนั่นแนะ่ะเพราะเขาก็สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วทีนี้ปรารถนาสาวาเบื้อซ้ายเบื้องขวาน่ะมันก็ต้องสร้างบา ร, ร ม, ารรมีหนึ่งอสงไขกับแสนกับปรารถนาพระพัะเจกก็สองอสงไข่นักนักพระพุทธเจ้าของเราสีอสงไข่แสนมหากับนักมีตำนานนิทานหมดไม่ได้งงเลยศาสนาพุทธตอบได้หมดนะ ผู้ที่เลื่มใสศาสนาพุทธก็พระบารมีแก่ข้ามาแล้วเท่านั้นพอเลยผู้ยังไม่เริ่มใสก็พระบารมียังอ่อนถูกไหมอ๋อได้แก้ตัวหนึ่งขณะคุยเคายหาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีข้ามากจึงพูดเปยเรยขึ้นว่าถ้าเจ้าขอของเจ้ามาพวกเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหงแหวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรา สู้แก่สู้แต่เข้าสู่เข้าสารมาเล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยขี้ไปในแปลงอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้แต่พวกเราเหมือนกันสู้รัฐที่อื่นของเราไม่ได้รัฐที่พระพุทธศาสนาคเคยหากินไปในแปลงอื่นๆด้านด้านตรงไว้นี ก, <c oughs> เกบเลือกนายนมีกบฟูงหนึ่งอาศัยอยู่ในเบืองใหญ่ อยู่มากบูงนั้นอยากจะหาหนายคุ้มครองป้องกันตัวจึงไปหาเทวารางเก่เทวราขอให้หาหนายให้เทวดาก็เห็นความโง่เขลาพระเทวดาก็ทิ้งไม้ขอนใหญ่ลงไปเสียงดังสะท้านทำให้กบตื่น ต, ตกใจมีกบกระาตัวหนึ่งว่ายน้ำมองมาเห็นก็ขึ้นงอยขี่อยู่บนไม้ที่นี่ตัวอื่นเขามาอยู่เหมือนกันนานไปนานไปก็เบื่อทีนี่ เพราะว่าขอนไม้ไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยนี่ขอนไม้ก็ไม่ได้สั่งสอนอะไรเลยนี่แล้วก็ปลยร่องแก่เทวดาอีกเทวดาก็เห็นง่ความง่เขาของกบก็ปล่อยนกกระสาลงมานกกระส า, าก็จิกกินวันลตัวสองตัวหมดกบผูงนั้นแต่พวกเราก็เหมือนกันเอาลัทธิอื่นๆมาผสมาเรื่มใส่นะับถือศาสนาเดี๋ยวก็ชิบหาย ไอ้อากาศทำที่วัได้วรถึงวันละตัวสองตัวปีละตัวสองตัวกระป๋ายใหญ่กันเลยนนั่นนั่น่นเอา้าวิธีในะครับอธิกรในครังพุทธกาลก็มีอยู่สิ่งไม่มีไม่ได้สอนอะไรมันม่เล ย, อ, เลยอธิกรมีสี่ความเสียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็น ไ, ไนสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ไม่ไรเรียกว่วาถาธิกรณสองความโจทย์กันด้วยอัยบาดนั้นเรียก อ, าทาทอนุวาธาธิกร สาอาบัติท่าปวงเรียกอาปตาทีกรสี่กิจที่สงจะต้องทําเรียกกิจจาทิกรมีสี่ข้อที่กรเกิดขึ้นมีอยู่สิบแปดอย่างตามมาดีแกไว้เก้าคู่อีิกรเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่คู่หนึ่งนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่คู่นึ่งนี่พระธรราข้อเจ้าทรงมั่นยติไว้นี่พระารรมข้อเจ้าไม่ได้ทรงมั่นยัดไว้นี่คู่นั่นนี่พระารรมข้อเจ้าทรงมาพิสดมานี่พระารรมข้อเจ้าไม่ได้ทรงมาพิสดามันี่คู่นึ่ นี่เป็นอาบัตเบานี่เป็นอาบัติหนักนี่เป็นอาบัตในส่วนเหลือนี่เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นอาบัติยาบคายนี่ไม่เป็นอาบัตหยาบคายอธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีบดังับงสีจะทําให้เกิดนานาสังวรนานานิกายอธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทรงไม่รีบดังับงสีจะทําให้เกิดนานาสังวารนานานิกายอธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพุทธบระดิษฐ์ไม่รีบดังับงสีไม่ได้ว่าทรงไม่รีบดังับงสีจะทําให้เกิด นานาจังหวัดนาน า, น, านิกายวิธีนะครับอธิกรณทั้งสี่นั้นมีอยู่เจ็ดอย่างแต่อธิกรณชนิดไหนควรระงับสมถะอะไรอธิกาะสมถ t มีเจ็ดทำเครื่องระงับอธิกรทั้งสี่นั้นในที่เพร่อมหน้าสง์ในที่เพร่อหน้าบุคคลในที่เพร่อหน้าวัตถุในที่พร่อหน้าธรรมเรียกสามข้อไไนอันนี้นะครับแบบอย่างสองสองความเทสองสะกาศ ให้สมมุติแก่พระรหัสมั่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไปใครตรวจท่านโอาบัตเรียกสติวินยัยอันนี้ระงับแบบหนึ่งจำเลยเป็นผู้มีสติไปบู์ไม่เป็นฐานะของจำเลยจะทําการละเมิดดังที่โจทย์กล่าวหาสวดกรรมวาจาจารไว้ให้สติวินยัยแล้วยวกฟ้องของโจทก์เสียนี่เรียกว่าโจทก์พระรหัส น, นี่ต้องทําอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทํากันเพราะไม่รู้จักว่าใครจะเป็นพระรหัสงัก็เลยไม่ได้ทํากันทุกวันนี้เวันที่สองสภากาดให้สมมุติ แกภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไปใครโจทท่านว่าอาบัตที่เธอทําในเวลาเป็นบ้าเรียกอมูลมหาวไริยภิกษุเป็นบ้าห้ามมาให้โจทย์อาบัตเมื่อเธอหายเป็นบ้าแล้วมาทําผิดจึงโจทย์อาบัตแต่ก็ไม่ค่อยได้ทากันบางทีมันจำท่าเป็นบ้าเอาก็มีมันไม่เชื่อกันในสองข้อนี้ก็อธิกรณ์อธิกันณ์นะสมรรถสองข้อนี้ก็ไม่ออกความที่ปรับทีนีนี่น วิธีแบบหนึ่งวิธีระงับอดีตความความปรับอาบัตตามปิญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปิญญาธกรณะนี่ระงับแบบหนึ่งจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปัญญาธกรณะถ้าจำเลยมารับเป็นสัตว์ก็ระับไปได้เช่นเป็นอาบัติปารายชิกมารับเพียงสังฆาทิเศษก็เรียกว่ารับไม่เป็นสัตว์ถ้าเป็นอาบัตสังฆาทิเศษก็ไปรับว่าเป็นอาราชิกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับเป็นสัตว์ จำเลยรับเป็นสัตว์นี่นักอภับแบบนึ่ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกรัตถปาพิเอยเจกากรรมอันนี้นักอัพแบบหนึ่งรัตถปาพิเอยเจกากรรมยังมีออกไปอีกเพิ่มโทษถ้าทําไม่ถูกความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกรัตถปาพิเอยเจกกรรมนี่เรียกนักอภับแบบอย่างให้การกลับไปกลับมาพูดถลากถลายข้อก็เกื่อนที่ถูกซักถาม พูดมุสาซึ่งหน้าปิญญาเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธเนีปฏปัญญาแล้วให้ปรับโทษถ้าเป็น้าบัตรสังกาทิเศตก็ให้เพิ่มหลายตัวถ้าให้การกลับไปกลับมาทัศพาพิยาิกากรรมกรรมเพิ่มโทษจ้าทศกุลกุศลมกความตัดสินอธรามคำของคนมากเป็นประมาณเรียกเยพิยาิกานั่งอับแบบหนึ่งเยพุยาิกาในขั้งพุทธการมีขอบเขต เธอจัดเรียนจบพระไตไป่ดกก็าตามความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงแต่พวกเราท่านไม่มาค่าเอาตังให้ใช่ไหมทีนี้ความปฏิบัตินองมันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมนักติ น, นวัตรารกมรรรินัยอันนี้นอันนี้แปลว่าอาบัตเล็กน้อยแต่ว่ามันมีโจทย์มากมีจำเลยมากถ้าจัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิการก็จะเทวีขึ้น เหตุนั่นจึงให้ปณิธา น, นกันสักที่เราเรียกว่าไกลเกี่ยนั่นเองถ้าเป็นอาบัตปาอะไราคิดจะใกล้เกลี่ยไม่ได้เพรนะอาบัตหนักนี่หมายความว่าอาบัตเบานิดนน้อยแต่ว่ามีโจทย์มากมีจาเลยมากถ้าตัดสินทางใดทางหนึ่งถ้ามีขึ้นอาชิกระกาเริบขึ้นมีมีพวกมหาสกปนไหมอยู่นี่ชมหาครูกี่คนสามมหาสามประโยชและสี่ประโยค ขถ้าประโยคขันห้ารูปเวสนาสัญญาสังขานวิญญาณเอ้ากรรมฐานในใจโลกธาตุท่านมหายกมือขึ้นใครเป็นมหายกมือขึ้นยกมือขึ้นเอ้าท่านมหากี่คนกี่คนยกมือขึ้นเดี๋ยเดี๋ย ว, ยวกรรมฐานในใจโลกธาตุใน พ, พระพุทธศาสนายศลงมามีสองกรรมฐาน เพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมาฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอารูปกรรมาฐานใช่ไหมถ้าตายคารูปและอารูปถ้าตายคารูปกรรมาฐานก็ไปเกิดพมรลกถ้าตายคาอารมูปก็ไปเกิดอารูปพมาาใช่ไหมทำไมทาไม阿拉ลาดาบทอุทกดาบทลมบทภาวนาจนถึงเดวะสัญญานาสัญญาเจตนะแล้ว เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจํมมาจก็ไม่ใช่แล้วทําไมจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะไม่ยอมตัวถึงพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่ถือพระศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นเพราะท่านยังไม่ยอมตัวถึงมุขพุทธศาสนาทีนี้อ น, นันตาริยกรรมหกมาทุกขะฆ า, ามานาพิโตขะค า, าเมดานะค ร, ะรับถ้าฆ่าาบาลานโลหตุบาททำลายพระพุทธเจ้าทิงอย่างโรธจิตแห้ห่อขึอข้นไป สองปเภทอย่างสองกระแสจากกันอันยศศรุตเทศถือศาสตาอื่นก็เป็นอนันตริยกรรมหกไม่สามารถจะถึงพปัศดาบันได้ใช่ไหมนั่น น, น, น, น, น, นัชักชาพิธานานี้อพิฐานทนอย่างนักหกชักแปลว่าหกเก้าหัวถงชักแปลว่าหกอันันตริยกรรมหกอันันตริคเคยได้ยินแต่อันันตริยกรรมห้าอนั่นอันันตริยกรรมหกรรม็มีอยู่ทีนี้มีปัญหาสักคำว่าทําไม พระอังพลิมาอนโ จ, นจรจึงสําเร็จพระรหันต์ฆ่าคนอโขขังก็เพราะท่านยังไม่ทันฆ่าวิดามานดาใช่ไหมพราะครูทั้งหกพระลูกศิษย์ไปฟ้องไปฟ้องแต่แกไม่รู้ อ, อัหนโวยอินีเลยเพวกลูกศิษย์ฤทธิ์สยาไปฟ้องว่ามันเรียนหนังสือเก่งมันมันก็เรียนหนังสือเก่งพวกนั้นไม่ทันไปฟ้องที่หนึ่ง อาจารย์ก็มารับฟ้องที่สองก็มารับเขาเป็นคนตระกูลสูงอย่ามาฟ้องเขาไม่ใช่หรอกปีที่สามไปฟ้องอีกก็เลยเออคงจะคงคงจะเป็นจริงๆจริงเพราะฉะนั้นก็เลยหาอุบายให้มันไปฆ่าคนซะ เ, เขาจะฆ่ามันเองหรอกถ้าเราจะไปฆ่ามันตรงๆเดี๋ยวมันตระกูลสูงมันก็ฆ่าไม่ได้